สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสอตอร้อยเฟมระชาพระมหาใบาบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนนายโศกอําเภอนองคานจังหวัดอุดรนานีมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลามาพบกันแล้วก็นําเรื่องราวที่เป็นคําสอนของพระพุทธชินนิลแหละอาจจะเป็นส่วนที่อยู่ในที่เป็นคําอธิบายหรืออาจจะเป็นส่วนที่เป็นตัวแม่บทที่ต้องมีทั้งสองส่วนไปด้วยกันในตัมบูฟัง ะวะัติคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสัญญาตาเมื่อถ้ามีผู้นําคํากล่าวเหล่าเนี้มากล่าวอยู่เนี่ยบางทีคํากล่าวก็มีข้อความลึกซึ่งเห็นด้วยจึงจะต้องเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์นี่แหละทั้งผู้ฟังที่จะต้องมาทําสิ่งเหล่านี้ให้มีความแจมแจ้งเรื่องราวบางอย่างบางสิ่งเป็นตัวบทเออเรามาทําความอธิบายขยายความ พระพุทธเจ้าบางทีท่านก็อธิบายขยายควา ม, มาไว้บางีก็มีท่านพระสาริบุตรท่านพระมหาโมกขล้นะท่านพระ อ, อ น, นุนมาขยายความตรงนั้นตรงนี้เพื่อเราเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เป็นคำซ้อนเหล่านั้นเหล่านั้นแตเรื่องราวบางอย่างก็เป็นเรื่องราวที่ประกอบเป็นเรื่องราวที่ขยายความเพิ่มเติมขึ้นไปอาจจะไม่ได้ไปเจาะจงที่ตัวบทจริงๆอย่างเรื่องราวที่ข้าพุทเจ้านํามาให้ธมุฟังฟังในช่วงของสองสามมันที่ผ่านมานั่นคือเรื่องราวของนางวิสาขา นางวิสาขานี่เป็นบุคคลที่มีตัวตนปรากฏอยู่ในพระสูตรหลายๆเรื่องพระพุทธเจ้าก็ได้เคยสนทนากับนางวิสาขาอยู่ในตัวแม่บทนี่อยู่หลายๆตอนด้วยกันอันนี้ก็เป็นตอนที่ขยายความละว่านางวิสาขาคือใครเป็นมาอย่างไงมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรอันนี้เราได้ฟังมาละตั้งแต่เมื่อสองวันที่ผ่านมาโดยในเบื้องต้นนี้ยได้ฟังถึงความเป็นมาของนางครอบครัวเป็นยังไงในตอนที่หนึ่งตอนที่สองนี่ก็ได้พูดถึงการที่นางออกเรือนไป เอาเรือนไปอยู่กับเรือนของสามีแล้วมีปัญหาอะไรกับพ่อผัวแก้ไขอย่างไรแต่ทําไมถึงถูกพ่อโผล่ยกย่องว่าเป็นมารดาคือพ่อผัวเนี่ยรักมากรักนางวิสาขามากถึงขนาดว่าทําเครื่องประรดับอีกชุดหนึ่งให้ทาเครื่องประดับชุดเล็กให้เพื่อที่จะใส่สลับกับชุดใหญ่เครื่องประดับชุดใหญ่นี่ใส่ตั้งแต่หัวจนถึงเท้าเลยบางทีมันหนักไปตอนไหนลําบากก็ทําชุดน้อยๆให้ ในอีกชุดหนึ่งอันนี้คือเรื่องราวที่เราได้ฟังมาเมื่อหวานนี้ละในตอนที่สองในตอนที่สามนี้ตั้มบูฟังเป็นเรื่องราวที่ในวิสาขาเนี่ยสร้างประสาทที่ชื่อว่าบุพารามโดยใช้เครื่องประดับที่ชื่อว่ามหาลดาปราสาทนี่แหละทํะาอย่างไรเป็นมาอย่างไรเราจะฟังกันในตอนนี้ตอนสรุปจบตั้มบูฟังเป็นตอนที่สวยงามมากที่พระพุทธเจ้าเนี่ย อธิบายถึงการกระทำของนางวิสาขาว่าเป็นบุคคลผู้ฉลาดในการสร้างบุญสร้างกุศลเอาก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเรามาฟังเรื่องราวของการที่นางสร้างบุญสร้างกุศลโดยการสร้างวัดที่เชื่อว่าบุปผารามซะก่อนเหตุตรงนี้ก็คือมาจากแตงแต่ตอนที่คนใช้ของนางเนี่ยลืมเครื่องประดับปไปที่วัดนั่นเองตอนนางวิสาขาลืมเครื่องประดับไว้ที่วิหาร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 ที่เปนมงคลเจ้ากรุงสาวัตถีย่อมมันเชิญ น, นางวิสาขาให้บริโภคก่อนต่อมาในวันมหรสศพวันหนึ่งเมื่อมหาชนแต่งตัวไปวิหารเพื่อฟังธรรมแม่นางวิสาขาบริโภคในที่ที่เขาเชิญแล้วก็แต่งเครื่องมหาลดาประสาทไปวิหารกับด้วยมหาชนได้เปลืองเครื่องอาพร ให้แก่หญิงคนใช้ไว้ที่พระธรรมสังฆาการจารย์ได้หมายเอาคำนี้ว่าก็โดยสมัยนั้นแลในกรุงสาวถีมีการมหมอรรสบมนุษย์ทั้งหลายแต่งตัวไปวัดแล้วแม้นางวิสาขามิครามานดาก็แต่งตัวไปวิหารครั้นนั้นแลนางวิสาขามิครามานดาเรื่องเรื่องประดับผูกให้เป็นห่อ ที่ผ้าห่มแล้วได้ส่งให้หญิงคนใช้ว่านี่แแม่เจ้าจงรับห่อนี้ไว้ได้ยินว่านางวิสาขานั้นเมื่อกำลังเดินไปวิหารคิดว่าการที่เราสวมเครื่องประดับมีค่ามากเห็นป่านนี้ไว้บนศีรษะแล้วประดับลังการจนถึงหลังเท้าเข้าไปสู่วิหารไม่ควร เธอจึงได้เบลื่งเครื่องประดับนั้นออกแล้วห่อไว้แล้วได้ส่งให้ในมือหญิงคนใช้ผู้ทรงกำลังเท่าช้างห้าเชือกผู้เกิดด้วยบุญของตนเหมือนกันหญิงคนใช้นั้นคนเดียวย่อมอาจเพื่อรับเครื่องประดับมหารดาประสาทนั้นได้เพราะเหตุ น, นั้นนางวิสาขาจึงกล่าวกับคนใช้นั้นว่าแม่ จงรับเครื่องประดับนี้ไว้ฉัน จ, จากสวมมันในเวลากลับจากจำนักของพระศ า, าสดาก็นางวิสาขาครั้นให้เครื่องประดับมหาลดาประสาทนั้นแล้วจึงสวมเครื่องประดับที่ชื่อว่าคณะมันทกะได้เข้าไปเฝ้าพระศ า, าสดาสดับฟังธรรมแล้วในที่สุดแห่งการสดับฟังธรรม นานถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าลุกจากอาสนะหลีกไปแล้วฝ่ายหญิงคนใจนั้นของนางลืมเรื่องประดับนั้นแล้วก็เมื่อบริษัท ฟ, ฟังทำหลีกไปถ้าใครลืมของอะไรเอาไว้พระอ น, นติระย่อมเก็บงำของนั้นพระเหตุดังนี้ในวันนั้นท่านเห็นเรื่องมหาดาประสาทแล้ว จึงทูลแก่พระศาสดาว่านางวิสาขาลืมเครื่องประดับไว้แล้วไปพระชาคา้าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าจงเก็บไว้ในที่สุดข้างหนึ่งเถิดอ น, อนุ์พระเทระยกเครื่องประดับนั้นเก็บคล้องไว้ที่ข้างบันดไดฝ่ายนางวิสาขาเที่ยวเดินไปภายในวิหารกับนางสุ ป, ปิยาด้วยตั้งใจว่า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 ถึงในวันนั้นก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันครั้งนั้นนางสุ ป, ปิยาเห็นพิสุขไข้รูปหนึ่งจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้าต้องการอะไรเมื่อพิสุขใข้รูปนั้นตอบว่าต้องการรสแห่งเนื้อคือน้าเนื้อต้มจึงบอกว่าได้พระผู้เป็นเจ้าที่ฉันจะส่งไปในวันที่สองเมื่อไม่ได้เนื้อที่เป็นกัปยะ จึงทำกิจที่ควรทำด้วยเนื้อขาอ่อนของตนด้วยความเลื่อมใสในพระศาสดาก็กลับเป็นผู้มีสริระตั้งอยู่ตามปกตินั่นแหละภายนางวิสาขาตรวจดูภิกษุหนุม่มและสามเณรผู้เป็นไข้แล้วก็ออกโดยประตูอื่นยืนอยู่ที่อุปาจาราวิหารแล้วพูดว่าแม่เธอจงเอาเครื่องประดับมา ฉันจะตกแต่งในขณะนั้นยิงคนใจนั้นหรือว่าตนลืมแล้วออกมาจึงตอบว่าดิฉันลืมแม่เจ้าในวิสาขากล่าวว่าถ้ากระนั้นจงไปเอามาแต่ถ้าพระผู้เป็นเจ้าอานนเตระของเรายกเก็บไว้ในที่อื่นเจ้าอย่าเอามาฉันบริจากเครื่องประดับนั้น ถวายพระผู้เป็นเจ้านั่นแลนันยะว่านางวิสาขานั้นย่อมรู้ว่าพระเทระย่อมเก็บสิ่งของที่พวกมนุษย์หยรืมไปเพราะเหตุนั้นจึงพูดอย่างนั้นตอนนางวิสาขาซื้อที่สร้างวิหารถวายสงฆ์ฝ่ายพระเทระพอเห็นนางคนใช้นั้นก็าถามว่า เจ้ามาเพื่อประสงค์อะไรเมื่อหญิงคนชายนั้นตอบบ้าลืมเครื่องประดับของแม่เจ้าของดิฉันจึงได้มาพระเตราจึงกล่าวว่าฉันเก็บมันไว้ที่ข้างบันไดนั้นเจ้าจงเอาไปหญิงคนชายนั้นตอบบ่าพระผู้เป็นเจ้าหอบพันธะที่ท่านเอามือถูกแล้วแม่เจ้าของดิฉันสั่งไม่ให้นำเอาไปดังนี้แล้ว ก็มีมือเปล่ากลับไปหญิงคนใช้นั้นทูกนางวิสาขาถามว่าอะไรหรือแม่นางจึงบอกเนื้อความแก่นางวิสาขานั้นนางวิสาขากล่าวว่าแม่ฉันจะไม่ประดับเรื่องที่พระผู้เป็นเจ้าของฉันถูกต้องแล้วฉันบริจาคแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้ารักษาไว้เป็นการลําบาก ฉันจะจำหน่ายเครื่องประดับนั้นแล้วจากน้อมนำสิ่งที่เป็นกับปิยะไปเจ้าจงไปเอาเครื่องประดับนั้นมาหญิงคนใช้นั้นไปนำมาแล้วนาวิสาขาไม่แต่งเครื่องประดับนั้นสั่งให้เรียกพวกช่างทองมาแล้วให้ตีราคาเมื่อพวกช่างทองเหล่านั้นตอบว่ามีราคาก้าโกรแต่สําหรับค่ากาหนด ต, ต้องถึงแสน จึงวางเครื่องประดับนั้นไว้บนยาณแล้วกล่าวว่าถ้ากระนั้นพวกท่านจงขายเครื่องประดับนั้นไม่มีใครจะอาจให้ทรัพย์จํานวนเท่านั้นรับไว้ได้เพราะหญิงผู้สมควรประดับเครื่องประดับนั้นหาได้ยากแท้จริงหญิงสามคนเท่านั้นในปัตตพีมณฑลได้เครื่องประดับมหาราชาประสาท คือนางวิสาขามหาอุบาสิกาหนึ่งนางมริกาภรยาของพันธุละมัลละเสนาบดีหนึ่งและลูกสาวของเศรษฐีกรุงพระนาศีอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นนางวิสาขาจึงให้เครื่องประดับนั้นเจียเองทีเดียวแล้วให้ขนทรัพย์9โกรดกำึ่งแสน0 0ขึ้นใส่เกวียนนำไปสู่วิหาร ถวายบางกรมพระาศาสดาแล้วกราบทูลว่าพระโชข่าพระอนุนเทระผู้เป็นเจ้าของหม่อมฉันเอามือถูกต้องเครื่องประดับของหม่อมฉันแล้วจำเดิมแต่การที่ท่านถูกต้องแล้วหม่อมฉันไม่อ่านประดับได้แต่หม่อมฉันให้ขายเครื่องประดับนั้นโดยคิดว่าจะจำหน่ายน้อมนาเอาสิ่งที่เป็นกับปะยะมา ไม่เห็นผู้อื่นจะสามารถรับไปได้จึงให้รับค่าเครื่องประดับนั้นเสียเองมาแล้วหม่อมฉันจะน้อมเข้าไปในปัจจัยไหนในปัจจัยสี่พระชขาข่าพระศาสดาจึงตรัสว่าวิสาขาถ้าอย่างนั้นเธอควรทำที่อยู่เพื่อสงฆ์ใกล้ประตูด้านทิศประจีนเถิดนางวิสาขาถูนรับคำแล้ว มีใจเบื่อบานจึงเอาทรัพย์9ก้าโกรซื้อเฉพาะที่ดินนางเริ่มสร้างวิหารด้วยทรัพย์อีก9ก้าโกรตอนการสร้างวิหารของนางวิสาขา9ก้าเดือนแล้วจึงเสร็จต่อมาวันหนึ่งพระศาสดาทรงดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งได้ทอาพระเนตรเห็นอุปนิสัยสมบัติของเศรษฐี นามว่าพัตยะผู้จุติจากเทวโลกเกิดแล้วในตระกูลเศรษฐีในพัตยานครพระาศาสดาทรงรำพัตกิจในเรื่องของอนาตะบินิกาเศรษฐีแล้วก็เสด็จบายประพักไปยังประตูด้านทิศอุดอนแม้ตามปกติพระาศาสดาทรงรับภิกษุในเรือนของนาวิสาขาแล้วก็เสด็จออก ประตูด้านทักษิณประทับอยู่ในเขตวันส่งรับพิการในเรือนของอนาตาบินกทกเิธีแล้วก็เสด็จออกทางประตูด้านประจินประทับอยู่ในบุพารามจนนลายเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินมุ่งตรงประตูด้านทิดุดรแล้วย่อมรู้ว่าจะเสด็จไปสู่ที่จาริกในวันนั้น แม้หนางวิสาขาพอทราบว่าพระาศาสดาเสด็จดำเนินบ่ายพระพักไปสู่ทางประตูทิศอุดรจึงรีบไปถวายบังคมแล้วกราบพูนว่ากค่แต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ประสงค์จะดำเนินไปสู่ที่จาริกหรือราาพระชก้าพระศาสดาถูกแล้ววิสาขาหนางวิสาขากค่แต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เมื่อบ่มฉันบริจาคทรัพย์จำนวนเท่านี้ให้สร้างวิหารถวายพระองค์โปรดเสด็จกลับเติดพระชาพระศาสดานี้เป็นการยังไม่กลับวิสาขานาวิสาการนั้นจะมีความคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเห็นไกลๆผู้สมบูรณ์ด้วยเหตุเป็นแน่จึงกลับตูนว่าถ้ากรนั้นขอพระองค์โปรดรับสั่งพิสูกรูปหนึ่ง ผู้เข้าใจการงานที่หม่อมฉันทำแล้วหรื อ, อยังไม่ได้ทำให้กลับแล้วเสด็จไปเถิดพระชก้าพระศาสดาวิสาขาก็เธอพอใจภิกษุรูปใดจงรับบาตรของภิกษุรูปนั้นเถิดแมนางจะพอใจตั้นพระอนนเตระก็จริงแต่คิดว่าพระมหาโมกระะเตระเป็นผู้มีฤทธิ์การงานของเราจะพลันสำเร็จ ก็เพราะอาศัยพระเตระนั่นเดินนี้แล้วจึงรับบาทของพระมามโมคละาไว้พระเตระแลดูพระาศาสดาพระาศาสดาจริงตรัสว่าโมคลณนะเธอจงพาภิกษุบริบาลของเธอห0 0รอรูปกลับเถิดดั่นพระมามโมคลณะได้ทำตามพระดำรันนั้นแล้วก็ด้ดยอนุภาพของท่านพวกมนุษย์ผู้ไป เพื่อต้องการไม้และเพื่อต้องการหินเพื่อจะมาทำวิหารระยะทางแม้ตั้ง50าสถึงหกโยต์ก็ขนเอาไม้และหินมากมายมาทันในวันนั้นนั่นเองแม้ยกไม้และหินใส่เกวียนก็ไม่ลำบากเพลาะเกวียนก็ไม่หักในการต่อมาพวกเขาก็สร้างประสาทสองชั้นสำเร็จประสาทนั้นได้เป็นประสาท ระดับด้วยห้องพันห้องคือชั้นล่าง5้าร้อยห้องชั้นบน500ห้องพระศ า, าสดาเสด็จดำเนินจาริกไปโดย9้าเดือนแล้วได้เสด็จกลับมาสู่กรุงสาวัตถีอีกแม้การงานในประสาทของนางวิสาขาก็สำเร็จโดย9้าเดือนเหมือนกันนางให้สร้างยอดประสาทอันจุดน้ำได้60สม่อ ด้วยทองคำสีสุกที่บุเป็นแท่งนั้นแหละนาได้ยินว่าพระศาสดาสเสด็จไปยังเชตวันมหาวิหารจึงทําการต้อนรับนําพระศาสดาไปวิหารของตนแล้วรับปฏิญญาว่าก็าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพ ร, ระองค์โปรดพาภิกษุสงฆ์ประทับอยู่ในวิหารนี้ตลอดสเดือนนี้หม่อมฉันจะทําการฉลองประชาร พระศาสดาจึงทรงรับแล้วจำเดิมแต่การนั้นนางวิสาขานั้นย่อมถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าบิระธานในวิหารนั่นแหละกระนั้นหญิงชายคนหนึ่งของนางถือผ้าปืนหนึ่งราคาหนึ่งพันมาแล้วกล่าวว่าสหายฉันอยากจะลาดผ้าปืนนี้โดยสังเกตว่า เครื่องลาดพื้นในปราสาทของเธอขอเธอช่วยบอกที่ลาดแก่ฉันเถิดนวิสาขาจึงกล่าวว่าสหายถ้าฉันจะบอกแก่ท่านว่าโอกาสไม่มีท่านก็จะสำคัญว่าไม่ปรารถนาให้โอกาสแก่เราท่านจงตรวจดูพื้นแห่งประสาทสองชั้นแล้วห้องพันห้องแล้วรู้ที่ลาดเอาเองเถิดหญิงสายนั้น ได้ถือผ้าราคาพันเที่ยวเดินตรวจดูในที่นั้นนั้นไม่เห็นผ้ามีราคาน้อยกว่าผ้าของตนนั้นแล้วก็ถึงความเสียใจว่าเราไม่ได้ส่วนบุญในประสาทนี้ได้ยืนร้องไห้อยู่แล้วในที่แห่งหนึ่งคพราะนั้นพระนนทิรัเห็นหญิงนั้นแล้วถามว่าเธอร้องไห้เพราะเหตุอะไรนางจึงบอกเนื้อความนั้น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 เต็มบาทแก่ภิกษุทุกรูปนางได้บริจาคทานทรัพย์ได้หมดไปถึง9โกดนางพิสาขาบริจาคทรัพย์ในพระพุทธศาสนาทั้งหมด27โกดเกืดในการซื้อพืนที่แห่งวิหาร9โกดในการสร้างวิหาร9โกดในการเลองวิหาร9โกดด้วยประการชนิ้ชื่อว่าการบริจาคเห็นปานนี้ ย่อมไม่มีแก่หญิงอื่นผู้ดำรงอยู่ในภาวะแห่งสตรีผู้อยู่ในเรือนของคนผู้มีมิจฉาทิฐิตอนนางวิสาขาเปล่งอุทานในวันฉลองวิหารเสร็จในวันแห่งการฉลองวิหารเสร็จในเวลาบ่ายนางวิสาขานั้นอันบุตรหลานแวดล้อมแล้วคิดว่าความปรารถนาใด อันเราตั้งไว้แล้วในการก่อนความปรารถนานั้นนั้นทั้งหมดเดียวถึงที่สุดแล้วจึงเดินเวียนรอบประสาทเปลงอุทานนี้ด้วยเสียงอันไพเราะด้วยห้าคาถาเหล่านี้ว่าความดำริของเราว่าเมื่อไรเราจะถวายปราสาทใหม่ชาบด้วยปูนขาวและดินเป็นวิหารทานดังนี้ได้บริบูรณ์แล้ว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 กราบทูลกับพระศาสดาว่าก็าแต่พระองค์ผู้เจริญชื่อว่าการขับร้องของนางวิสาขาพวกข้าพระองค์ไม่เคยได้เห็นในการประมาณเท่านี้วันนี้นางอันบุตรและหลานแม่ล้อมแล้วขับเพลงเดินเวียนรอบประสาทดีของนางกำเริบหรือนอแลหรือนางเสียชริตไปแล้วพระศาสดาจริงตรัสว่าพิจตต้งหลาย ทิดาของเราหาขับเปล่งไม่แต่อาจารย์ใสส่วนตัวของเธอนั้นเต็มเปี่ยมแล้วเธอดีใจว่าความปรารถนาที่เราตั้งไว้ถึงที่สุดแล้วจึงเดินเปล่งอุทานก็เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าก็นางตั้งความปรารถนาไว้เมื่อไหร่พระโชก้าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพวกเธอทั้งหลายจะฟังอย่างนั้นหรือ เมื่อพิสุทธิทาลายกราบทูนว่าจะฟังพระชจคาข้าจึงได้ทรงนำมดีนิทานมาตรัสเล่าดังนี้ว่าตอนบรุรพกรรมของนางวิสาขาพิสุทธิทาลายในที่สุดแสนกับจากนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าปะทุมุตตะทรงอุบัติขึ้นแลในโลกพระ์ได้มีพระชนมายุแสนปี มีภิกษุกีณาศพแสนหนึ่งเป็นบริบาลนครนชื่อหังสาวดีพระชนกเป็นพระราชานามว่าสุนันท์พระชนานีเป็นพระเทวีนามว่าสุชาดาอุบาสิกาผู้เป็นยอดอุปธาชิกาของพระศาสดาองค์นั้นทูลขอผ่อนแปดประการแล้วตั้งอยู่ในฐานะดังมารดา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 จึงเป็นผู้เสนิทสนมกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างนี้ดัง น, นี้แล้วที่ได้ทูลถามพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหญิงนี้เป็นอะไรแก่พระองะาคา์พระชจ้าพระศาสดาเธอเป็นเลิศแห่งหญิงผู้อุปถายิกาหญิงผู้นั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนางกระทํากรรมอะไรจึงเป็นเลิศแห่งหญิงผู้อุปถายิกาพระชจ้า พระศาสดาเธอตั้งความปรารถนาไว้ตลอดแสนกับยิ่งนั้นข้ะแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าบัดนี้หม่อมฉันปรารถนาแล้วอาจจะได้หรือไม่พระเจ้าค่าเมื่อพระศาสดาตอบว่าอาจได้ยิงนั้นจึงกราบตูนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากระนั้นขอพระองค์กับภิกษุแสนรูปโปรโดพึงรับพิกษาของหม่อมฉัน ตลอดเจวันเิดพระศาสดาส่งรับแล้วยิงนั้นถวายตานครบเจวันในวันสุดท้ายได้ถวายผ้าสาดกเพื่อทำจีปนถวายบังคมพระศาสดามอบลงแทบบานมูลตั้งความปรารถนาว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญด้วยผลแห่งทานนี้หม่อมฉันปรารถนาความเป็นใหญ่ในเทวโลกเป็นต้น ยานในอย่างหนึ่งก็หาไม่หม่อมฉันพึงได้พรแปดประการในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับพระองค์แล้วตั้งอยู่ในฐานะดั่งมารดาเป็นยอดของอุบาสิกาผู้สามารถเพื่อบํารุงด้วยปจัจจัยสีพระศาสดาได้มีความดํารียว่าความปรารถนาของหญิงนี้จะสำเร็จหรือไม่หนอจึงทรงคำหนึงถึงอนาคตการ ตรวดูตลอดแสนกับแล้วจึงตรัสว่าในที่สุดแห่งแสนกับพระพุทธเจ้าพระนามวาโคดมจะทรงอุบัติขึ้นในการนั้นเธอจะเป็นอุบาสิกาชื่อวิสาขาได้พรแปดประการในสานักของพระองค์แล้วตั้งอยู่ในฐานะดังมารดาจะเป็นเลิศแห่งหญิงผู้เป็นอุปัายิกาผู้บำรุงด้วยปัจจัยสี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 ผู้พระกนิษฐาของบรรดาพระธิดาเจ็พระองค์ของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากีกิยังไม่ได้ไปสู่ทรกูอื่นทรงทาบุญมีตานเป็นต้นกับด้วยเจ้าพี่หญิงเหล่านั้นตลอดกาลนานได้ทําความปรารถนาไว้แม้แทบบาดหมูลแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะว่าในอนาคตกาล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 แห่งเมณทกะเศรษฐีตอนสัตว์เกิดแล้วควรนำกุศลให้มากพระศาสดาครั้นส่งแสดงอดีตนิทานจบแล้วตรัสว่าพิกสุทธ์ั้งหลายธิดาของเราย่อมไม่ขับเพลงด้วยประการชนนี้แลแต่เธอเห็นความสำเร็จแห่งความปรารถนาที่ตั้งไว้จึงเปล่งวุทาน เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสว่าพิกษุทั้งหลายนายมาลาการผู้ฉลาดทำกองดอกไม้ต่างๆให้เป็นกองโตแล้วย่อมทำพวงดอกไม้มีประการต่างๆได้เชนใดจิตของนาวิสาขาย่อมน้อมไปเพื่อทำกุศลมีประการต่างๆฉะ น, นั้นเหมือนกันนั่นนี้แล้วนายตรัสระกฐานนี้ว่า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 กตัตพังกุสลังพหุงในรรดากรรมเหล่านั้นคําว่าบุพราสิมหาแปลว่าจากกองดอกไม้ได้แก่จากกองแห่งดอกไม้มีประการต่างๆคําว่ากยิราแปลว่าพึงกระทําคําว่ามารากุเนพหูแปลว่าพวงดอกไม้ให้มากหมายความว่า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 ย่อมไม่อาจโดยแท้แต่เมื่อดอกไม้มีมากนายมาลาการผู้ฉลาดขยันเสียบแหลมย่อมทำพวกดอกไม้ให้มากนิฉันใดถ้าศรัทธาของบางคนมีน้อยส่วนโภคคาหมีมากผู้นั้นย่อมไม่อาจทำกุศลให้มากได้ก็แลเมื่อศรัทธาน้อยทั้งโภคคาก็น้อยก็ย่อมไม่อาจ ก็แล้เมื่อสตาโอาราณและโภคาน้อยเขาก็ย่อมไม่อาจเหมือนกันก็แต่เมื่อสตาโอาราณและโภคาก็โอาราณเขาย่อมอาจทำกุศลให้มากได้ฉะนั้นนางวิสาขาอุบาสิกาผู้เป็นเช่นนั้นแลพระศัสดาทรงหมายนางวิสาขานั้นจึงตรัสคำที่เป็นคาถาดังนี้ว่านายมาลาการพึ่งทำดอกไม้ให้มาก จากกองดอกไม้แม้ฉันใดสัตว์ผู้มีอันจะพึงตายเป็นสภาพเกิดมาแล้วควรทำกุศลไว้ให้มากฉะ น, นั้นในเวลาจบเทศนาวนเป็นมากได้เป็นนริยะผลมีโสดาปฏิบนเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แค่มาาชนแล้วดั่นนี้แหละเรื่องนางวิสาขา เรื่องราวของนางวิสาขาก็จบลงที่ตรงนี้อันนี้คือประวัติเบื้องต้นของนางความเป็นมาในเรื่องของบุพาราม น, นางนี้เป็นคนที่ฉลาดมากทนผู้ฟังแต่เราจะสรุปดูนะเป็นคนที่มีทรัพย์ด้วยการที่มีทรัพย์นั้นใช้ใจ่ายทรัพย์อย่างให้เกิดประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลคนที่มีทรัพย์มากแต่ถ้าบวญจิตไม่มีศรัทธาก็ไม่สามารถที่จะสร้างประโยชน์จากทรัพย์นั้น ให้เป็นบุญให้เป็นกุศลได้แต่ถ้าทั้งเป็นคนที่มีศรัทธาด้วยเป็นคนที่มีทรัพย์มากด้วยสามารถที่จะทำทรัพย์นั้นให้เกิดขึ้นได้เหมือนกับคนร้อยพวงมาลัยเนี่ยแหละถ้าเป็นคนฉลาดแล้วก็มีดอกไม้อยู่มากก็สามารถที่จะผลิตพวงมาลัยออกมาขายได้ถ้ามีดอกไม้มากก็ผลิตสินค้าออกมาได้แต่ถ้าเบอกว่าดอกไม้ไม่มีแล้วก็ผลิตไม่ได้ละ เพราะว่ามันไม่มีดอกไม้ดอกไม้เนี่ยเปรียบเหมือนกับทรัพย์สินที่เรามีเรามีมากหรือมีน้อยก็ผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อที่จะสร้างสารรค์เป็นผลงานซึ่งในที่นี้ก็เปรียบเหมือนกับบุญกุศลที่เราสามารถที่จะผลิตออกมาได้นั่นเนองแะครับนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวเราตลอดกาลนานทีเดียววันนี้เวลาหมดแล้วตามมาฟังท่าพเจ้าพระมหาภัยบุญพภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร